เมื่อเดือนที่แล้วนะที่โคราชนะนครศีมามีการตรวจสุขภาพพระนะก็ไม่ถึงกับทั้งจังหวัดนะพระจำนวนห้ารอรูปนะแลก็พบว่าเนี่ยสี่อนระ์เซน์ะความดันสูงอีกส0เซนี่เบาหวานตัวเลขนี้ก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะพระที่มีพันสายเยอะนะรวมไปถึงพระที่พันสายน้อยหรือว่าเป็นพระหนุ่ม ตัวเลขนี้เนี่ยนะมันบอกอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับสภาพหรือสถานการณ์สุขภาพของพระไทยนะถึงแม้ว่าดูเหมือนจะยังไม่มีตัวเลขนะว่าพระทั้งประเทศเนี่ยสุขภาพเป็นอย่างไรนะโดยเฉลีย่ยแต่ว่าตัวเลขนะของพระที่โคราชเนี่ยมันก็คงจะไม่ค่อยต่างจากพระในจังหวัดอื่นเท่าไหร่นะ ไม่ว่ากรุงเทพหรือชายภูมิเนี่ยการที่พระเนี่ยมีความดันสูงถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยนะเบาหวานสามสิเปอร์เซ็นนี่มันก็ไม่ใช่น้อยเลยนะถามว่าที่ความดันสูงและเบาหวานเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะตัวการสำคัญก็คืออาหารอาหารซึ่งส่วนใหญ่ ก็เพีเป็นอาหารที่ญาติโยมถวายไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ใส่บาตรหรือว่าอาหารที่ถวายเวลาเลี้ยงพระทําบุญนะแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยหลักๆคืออาหารที่ใส่บาสนั่นแหละหมอที่เขาตรวจสุขภาพพระนี่ท่านก็เลยแนะนํานะญาติโยมว่า อาหารหวานมันเค็มเนี่ยน ะ, ะควรเลี่ยงนะอย่าถวายอาหารที่หวานมันเค็มให้กับพระแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยอาหารเนีที่จริงไม่ใช่เฉพาะที่ถวายพระเท่านัน้นอาหารที่กินเองเนี่ยมันก็อุดมไปด้วยไขมันมากเนื้อสัตว์บางทีมีแต่เนื้อนะ ักไม่มีเลยแล้วก็ปรุงด้วยรสชาติที่จัดจ้านนะขนาดเป็นอาหารข้าวนี่ก็หวานแล้วก็ท่านันไม่พอนะเค็มด้วยนะอันนี้มันก็มีผลเสียนะต่อสุขภาพทั้งกับโยมนะที่กินแล้วก็กับพระที่นะใส่บาตรถวาย นิยมจริงก็ปรารถนาดีนะอะไรที่ตัวเองชอบเนี่ยหรือเห็นว่าดีก็อยากถวายพระแต่ว่าสิ่งที่ตัวเองชอบหรือสิ่งที่ตัวเองว่าดีนี่มันอาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพก็ได้แล้วเดยนี้คนไทยเรานะนิยมกินอาหารที่หวานมากนะเติมน้ําตาลไม่ใช่เฉพาะขนมหวานอย่างเดียวนะ อาหารข้าวนี่ก็เติมแม้กระทั่งนมจืดนะอารมาก็เคยเข้าใจว่านมจืดนี่ไม่เติมน้ำตาลนะที่ไหนได้นะตเติมน้ำตาลหนึ่งหกกรัมบ้างเก้ากรัมบ้างถามว่าคนเราเนี่ยควรจะบริโภคน้ำตาลเนี่ยวันละกี่กรัมนะโดยเฉลี่ยรู้ไหมเท่าไหร่นะส6บหกกรัม หรื อ, อยังมากก็ยี่สิบกรัมบางตัวเลขบอกยี่สิบสี่กรัมแต่ว่าแค่น้ำอารมณ์เนี่ยขวดเดียวนี่มันก็มีน้ำตาลไปถึงสา3สิสี่สามสิบห้ากรัมก็ไปแล้วโอ้ยเกินควรต้านะบางคนเรากินโดยไม่รู้ตัวนะว่าที่กินนี่มันเป็นน้ำตาลที่มันเกินเกินค่าที่เหมาะ ก, กับสุขภาพนะ ยิ่งน้ำน้ำปันะเนี่ยที่ใส่กล่องเนี่ยถวายพระนี่ยังตำาๆนี่ก็ยี่สิบกรัมก็ไปแล้วนะเติมน้ำตาลเข้าไปอตาตมาตะกอน ก, ก, ก็ไม่เคยสนใจนะแต่ตอนหลังหมอตรวจสุขภาพพกว่าน้ำตาลสูงนะไม่ถึงกับสูงเกินเขดนะแต่ว่ามันก็เปิมเปิม ก็แปลกใจนะเพราะว่าปกติก็เป็นคนที่ไม่ค่อยฉันหวานเท่าไหร่ตอนหลังก็ได้ความรู้ว่าอาหารที่เราฉันนี่อย่าว่าแต่ขนมหวานเลยนะหรือของหวานเลยแม้กระทั่งอาหารที่เป็นอาหารข้าวนี่ก็เติมน้ําตาลเยอะมากแล้มีน้าซ้ํำนะโยมก็อนนี่ถวายอาหารหวานของหวานอี่กินนะมีโยมหลายคนนี่นะมีความเชื่อเลยนะเขาจะ จะใส่อาหารถวายพระเวลาบิณฑบาตเนี่ยอาหารคาวไม่พอนะผลไม้ไม่พอต้องเติมหรือต้องใส่ขนมหวานด้วยแล้วก็หวานมากเลยตอนนี้เนี่ยควรจะอลดนะขนมหวานนะที่ถวายพระเพราะว่าแค่กับข้าวที่ถวายนี่ก็หวานอยู่แล้วนะ แต่บงคนก็ไม่สบายใจนะไม่ค่อยสบายใจเพราะรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างนะถ้าไม่ได้ถวายของหวานนี่กับพระทั้งที่ผลไม้ ก, ก็ถวายแล้วแล้วบงคนก็มีความเชื่อนะว่าเนี่ยลูกนะชอบหรือว่าพ่อแม่ที่จากไปนี่ชอบชอบอาหารที่หวานมันเค็มก็อยากจะให้ คนรักที่จากไปได้กินนะในสัมป라ยภพหรือว่าในภพอื่นก็เลยถวายพระเหมือนกับว่าพระนี่เป็นไปรศณีนะถ้ามีคนเข้าใจงี้นะว่าพระนี่เป็นไปรศณีอยากจะให้คนรักนี่ได้กินอะไรก็ถวายพระเดี๋ยวก็จะถึงเขาเองที่จริงไม่ใช่นะพุทธศาสนาเนี่ย ต่างจากวัฒนธรรมอื่นนะวัฒนธรรมอื่นนี่เขาอยากจะให้ผู้จิจักไปกินอะไรก็ทําสิ่งนั้นให้อันนี้เราเป็นเครื่องเส้นเป็นเครื่องเส้นแต่ว่าของพุทธเนี่ยนะถวายของถวายอาหารเนี่ยให้พระเพื่อแปรสิ่งนั้นให้เป็นบุญแล้วบุญเนี่ยก็ จึงอุทิศไปให้กับผู้ที่ลงลับเพราะผู้ที่ลงล้ำนี่เขาต้องการบุญนะไม่ใช่อาหารอย่างที่เรากินไม่ว่าจะเป็นหวานมันเค็มหรืออาหารหวานข้าวบางทีเราไปถวายของให้กับพระเหมือนกับเป็นเครื่องเส้นนะลูกหรือพ่อแม่อยากได้อะไรอยากกินอะไรก็ถวายสินให้กับพระที่จริงไม่ใช่นะถวายพระก็ต้องดูว่ามันเหมาะกับพระไหม ถ้าอาหารที่ไม่เหมองกับสุขภาพน่าจะอร่อยมันก็ไม่ควรแต่เนี่ยส่วนหนึ่งก็อยู่ที่พระด้วยนะเพราะพระท่านระยะหลังก็นิยมนะอาหารประเภทเนี่ยหวานมันเค็มถ้าโยมอาหารถ้าโยมถวายอาหารที่จืดๆไม่มีรสชาติบางทีพระท่านก็ไม่ค่อยพอใจนะบางทีก็เรียกร้องให้โยมถวายอาหารที่มันมีรสชาติหวานมันเค็ม จริงๆเนี่ยพระเราก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะในการบําเพ็ญชีพพร ม, มจันทร์ก็คือการรู้จักชันอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ใช่เพื่อความ อ, ร, อร่อยแต่เพื่ออนุเคราะห์กับการประพฤติพรมจันทร์เราชนอาหารเนี่ยในด้านนึงก็กําจัดทุกขเวทนาเก่าคือความหิวแต่ก็ไม่เพิ่มทุกขเวทนานใหม่ แต่เดี๋ยวนี้การกินอาหารนี่มันไปสร้างทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นนะคือโรคภัยไข้เจ็บให้เวลาฉันอาหารเนี่ยนะก็ต้องเลือกไม่ใช่เลือกอาหารที่มันอร่อยนะแต่ต้องพยายามเลือกอาหารที่มันเป็นภัยต่อสุขภาพในระยะยาวซึ่งคืออาหารหวานมันเค็มเนี่นะอันนี้ก็ต้องใส่การพิจารณาและการการเตือนสตินะว่าเราฉันอาหารเพื่ออะไร ไม่ได้ฉันเพื่อรสนิชานโยมเขาถวายอาหารที่จืดแต่ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการหรือมีประโยชน์ต่อตสุขภาพก็ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะไม่ใช่ไปขอให้โยมถวายอาหารที่มันอร่อยแต่ว่ามันเป็นผลเสียต่อสุขภาพที่จริงพระเราก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะไปเรียกร้องให้นโยมถวายอะไรอย่างง้นอย่างนี้เนี่ย แต่เราก็เลี่ยงได้นะอาหารที่ถวายนี่ถ้ามันหวานมากมันมีเนื้อสัตว์มากนะเราก็เลี่ยงฉันผักมากๆฉันอาหารที่มีน้ําตาลน้อยๆแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอันนี้เป็นความรู้ที่เราควรจะมีเพื่อใช้ได้นํามาใช้กับชื่อของตัวเองแล้วก็นําไปสอนญาติโยมเพราะไม่งั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยประเทศเราจะเต็มไปด้วยพระที่ป่วยอายุไม่มากก็ป่วยแล้วโรคเบาหวานหรือว่าโรคหวัวใจ ความดันสูงหรืองที่ก็ไตาวายทั้งหมดนี้ก็เพราะอาหารที่ญาติโยมถวายด้วยความปรารถนาดีนะแต่ว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ